ที่ชื่อว่าภิกษุณีทั้งหลายได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายคําว่าสั่งสอนความว่าภิกษุสั่งสอนครูธรรมแอย่างต้องอาบัตปาจิตตีคําว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าภิกษุณีเป็นใข่ได้แก่ภิกษุณีไม่สามารถไปรับโอวารหรือร่วมประชุมได้